รือแผ่นดินไฟใต้ไม่สําคัญพอเหมือนชายแดนคาเมรคําถามถึงสมชและกองทัพเหตุใดกําแพงกั้นแดนตึงเลือดปฏิบัติโดยชายยงมณีพิลึกสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เงียบเหงามีคา บ, บอมจุดตรวจมีระเบิดและการวางเพลิงต่อโรงงานไฟฟ้าชีวมวลชายแดนที่มีแม่น้ําโกล ก, กั้นของบริษัท Price of Wood Green Energy จํากัดหมู่9ตําตบลกาหยุกละอําเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง นับเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ถูกวางระเบิดและวางเพลิง3าสี่ครั้งในรอบสองปีที่ผ่านมาเท่าที่จำได้ยังมีที่อำเภอแม่ลานจังหวัดบ้านีํเาเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลาด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลล่าสุดนี้เป็นเจ้าของเดียวกันกับที่อำเภอสบายย้อยที่เคยเสียหายกว่า30ล้านบาท จากการสอบสวนรอปภโรงไฟฟ้าที่ถูกบังคับให้อยู่นิ่งๆและภาพจากกล้องวงจรปิดชี้ชัดว่าเป็นฝีมือกองกำลังติดอาวุธกว่า10คนมีอาวุธครบมือข้ามแม่น้ำโกลกมาจากฝั่งมาเลเซียหลังก่อเหตุก็ข้ามกลับไปถือเป็นการก่อการร้ายแบบสบายบรือ้อสัดือบุ๋มก็ว่าได้ มีข่าวจากวงในแว่ว่าก่อนเกิดเหตุผู้รับผิดชอบในเรื่องสวัสดิภาพโรงไฟฟ้าถือมวลได้ประชุมกับคนในพื้นที่ทั้งที่เป็นคนรัฐและกลุ่มอิทธิพลมีการพูดคุยถึงข้อเรียกร้องจากกลุ่มปฏิบัติการว่าต้องการให้บริษัทซัพพอร์ตในเรื่องอะไรบ้างว่ากันว่ามีหลายเรื่องหลักประเด็นอันเป็นเสมือนกับการเรียกค่าคุ้มครองซึ่งก็ไม่มีการตอบรับว่า yes หรือ no หรือโอเค แต่กลับมีการนำไปแจ้งให้กอารามานภาคหนึ่งส่วนหน้ารับรู้และนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปของการวางเพลิงและวางระเบิดโรงไฟฟ้าเชื้อมวลล่าสุดจึงเป็นบทสรุปให้กับนักลงทุนในเชเดนก้าวว่าเวลานี้ยังต้องคุมจ่ายค่าคุ้มครองให้แก่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และ BRN หรืออาจต้องนับรวมพูโลที่มีกัสดูรี่มาโกตาเป็นผู้นําเข้าไปด้วยก็ได้เพราะยังมีแนวร่วมที่พร้อมที่จะรับจ้างก่อเหตุอยู่ในสังกัดอยู่ นี่เป็นการยืนยันว่าในพื้นที่แดนใต้นาวันนี้การสถาปนาอำนาจรัฐยังมีรูวัวเบรอึมให้แก่บ BIN ได้แทรกซึมเข้ามามีอิทธิพลซึ่งไม่ต่างจากอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนไม่ว่าจะใช้ชื่อผูโลหรือชื่อกลุ่มไหนอะไรก็ตาม มีประเด็นน่าสนใจต่อมาคือเชื่อว่าก่อนมีการวางเพลิงและวางระเบิดโรงงานไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวพลตรีไพศาลหนูสังเมธพักพักที่4ในฐา น, นะผ อ, อรมนภัก4ส่วนหน้าซึ่งอย่างนั่งในตำแหน่งของผ อ, อ, อกรข่าวด้วยต้องมีการกระซากกลิ่นการก่อการร้ายของ B ร N แบบข้ามฟาข้ามประเทศมาก่อนแล้วจึงมีการเรียกประชุมชุดเฉลี ก, ก่ออนไทยและเฉล ก, ก่อราธิวาทเพื่อให้เตรียมป้องกันด้วยการซีลแนวชายแดนเพื่อสกัดกัน้น อีกทั้งยังพบว่ามีความเคลื่อนไหวของ BRN ในบริเวณเทือกเขาต่างๆเช่นที่อยู่หลาแป๊ะและหมอแตะเป็นต้นแต่สุดท้ายก็ป้องกันไม่ได้เพราะขาดการข่าวเชิงลึกรวมทั้งไม่มีการข่าวที่เป็นชุดนอกเข้าถึงความเคลื่อนไหวในรัฐกลันตานของมาเลเซียที่เป็นฐานที่มั่นของ BRN จึงป้องกันได้แบบตาบอดตีหม้อที่รับรู้ได้แต่เพียงว่าจะมีการก่อเหตุที่จังหวัด น, นราธิวาสโดยไม่ทราบเป้าหมายว่าคืออะไรที่ไหน นี่ถือเป็นประเด็นสำคัญมากที่กอรมนาภาคสีส่วนหน้าจำต้องเร่งแก้ไขและมีคำถามต่อกองคับว่าสถานการณ์ฝ่ายใต้ลุวงเลยมาถึงวันนี้แล้วยังไม่ถึงเวลาสร้างกำแพงกั้นชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นกิจัลักษณะอีกหรือภาพประจักษ์แล้วว่ามีทั้งกองกำลังติดอาวุธและแนวร่วมเคลื่อนไหวอ ย, อย่างสอดปสานระหว่างในชายแดนใต้ของไทยและฝั่งมาเลเซีย ถ้ามีการสร้างกำแพงกั้นแดนแล้วก็จะปิดจุดข้ามธรรมชาติที่มีอยู่200กว่าท่าข้ามได้แล้วกำหนดให้เหลือจุดข้ามแดนได้เพียงตำบน ล, ละหนึ่งท่าข้ามหากทำได้เชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนหรือทำลายวิถีชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างใดทำไมสถาความมั่งคงแห่งชาติสอมอชและกองทัพจึงไม่คิดทำที่งบประมาณซื้อเครื่องบินรบเรือรบและอาวุธยุโทโธปกรณ์อื่นๆกับทำได้คล่องนัก หรือแผ่นดินไฟใต้ไม่สำคัญเพียงพอเหมือนชายแดนขเขมรหรือถ้าสร้างกำแพงกัน้นแดะแล้วจะเป็นการเสียผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มใช่หรือไม่ มีอีกประเด็นคือพันตารวจเอกทวี2องสอรมยุธ์นตรียุติธรรมลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเปิดตัวพลเอกนิพัฒ์ทองเล็กผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่รัฐบาลเตรียมตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่พร้อมมีชื่อภาคประชาชนที่จะร่วมคณะพูดคุยด้วยเพื่อสารต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขที่ถูกอันวาอิบราอิมนายกพันธุ์รีมาเลเซียเรียกร้องที่จริงบีอาร์เอ็นใช้คําว่าเยราจาสันติภาพในขณะที่รัฐบาลให้ชื่อเรียกคุยพูดคุยสันติสุข โดยต้องการหาทางลงให้แก่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนเนื่องจากประเทศไทยแบ่งแยกไม่ได้ดังนั้นการตั้งรัฐปัตนีดารุสลามจึงเป็นการเพ้อฝันที่นับวันยิ่งห่างไกลจากความเป็นจริงในขณะเดียวกันคนไทยก็ไม่ต้องการให้ชายแดนใต้เป็นเขตปกครองตนเองหรือเขตปกครองพิเศษดังนั้นการพูดคุยหรือเยรจาจึงต้องอยู่ในกรอบที่ไม่ทําให้ไทยเสียเปรียบให้ทั้งแก่บีอาร์เอ็นมาเลเซียรวมถึงองค์กรจากชาติตะวันตกที่อยู่เบื้องหลัง ดังนั้นรัฐบาลควรปฏิเสธกรอบเยรจาตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างความสันติสุขแบบองค์รวมหรือ JCPP เพื่อไม่ให้เข้าทางการวางกับดักไว้เพื่อให้ฝ่าย BRN สมประโยชน์ตามที่ต้องการที่สำคัญต่อไปผลเอกนิพัฒ์ทางเล็กในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทยจะนำคณะไปพูดคุยกับตัวแทน BRN ชุดเดิมต้องถือว่าป่วยการเพราะจะล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ตั้งไข ดังนั้นการพูดคุยครั้งใหม่จึงต้องพูดกับตัวจริงของ BRN เท่านั้นเรื่องนี้รัฐบาลจึงต้องถแถลงให้ประชาชนคนไทยรับรู้ล่วงหน้าด้วยเช่นกันเนื่องจาก 12-13 ปีที่ผ่านมาต้องนับเป็นกระบวนการพูดคุยสันติสุขที่เปล่าประโยชน์เป็นการผลานงบประมาณโดยใช้เหตุแถมยังมีการเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยที่ไม่ต่างจากสมบัติผัดกันชมซึ่งไม่ใช้เพื่อการดับไฟใต้หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน แต่กลับเป็นได้เพียงเวทีรำวงที่ต่างมุ่งรับเอามาไล่พวงใหญ่จากงบประมาณที่เป็นภาษีของคนไทยทั้งผัดินแขวนคอกลับไปกันทั้งนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการผู้คุยสันติสุขครั้งใหม่ซึ่งกาลังจะเกิดขึ้นภายใต้ตัวแทนรัฐไทยคณะใหม่จะไม่กระทาให้ซ้ำรอยเดิม